เอาวิธีที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะขาวิธีหนึ่งมาสวดมาสาทยายคาถาปล่อยออกถ้ า, าเรามานั่งหลับตาเนี่ยมันอาจจะเพิ่มก็ได้เพราะอารมณ์เก่าๆเนี่ยมันปล่อยย า, ากแต่นั้นความเหมนลวงปู้กำแพงเนี่ย ควรจะหาบทสวดอะไร <All right. S 1> ามาสวดปล่อยออกหนึ่งชงั่วโมงแล้วก็กลับไปเก็บเข้าใหม่นี่เป็นวิธีที่จะฝึกต่อไป <All right. S 1> ถ้าหากเรามานั่งหลับตาคิดแล้วเนี่ยอารมณ์ใหม่มันไม่ค่อยเกิดเลยมันจะอารมณ์เก่าๆมันจะเกิดขึ้นมาให้เราปรุงแล้วให้แต่งๆเราปล่อยอารมณ์ยาก พอจิตของบุตรจนมันผูกพันกับปรรมทั้งหลายฉะนั้นถ้าหากดีที่สุดมาแล้วทุกคนก็ควรบริกรรมในใจในบทสวดบทใดบทหนึ่งก็ได้ถ้าเปสวดอะไรง่ายที่สุดก็บริกรรมพุทธคุณธรรมคุณทงังค์คุณ ได้จะตรวจให้มีเสียงปากเราได้พูดหูได้ยินใจได้คิดมันก็จะอยู่กับเราถ้าเราตรวจบทใดบทหนึ่งขึ้นหูเราได้ยินนั่งหลับตาตรวจได้ลืมตาตรวจก็ดได้ได้จะอธิษฐานยังไงก็ได้ตอนมานั่งวิธีนั่ง ก่อนที่เราจะตรวจแล้วก็ควรจะคิดยาวๆ ว, ว่าบัด น, นี้ข้าพระเจ้าจะพักผ่นรับอ า, ารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นประจำวันประจำวันเนีัยต่อไปนี้ข้าพระเจ้าจะปล่อยออกโดยบทสวจทนเร็วเถิเคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ หรือเราจะสาะใหญ่บทใด บ, บทหนึ่งถ้าเป็นบทคาถาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือเกี่ยวกับคําสอนของพุทธเจ้าถ้าบทตรวจที่ง่ายที่สุดก็ตรวจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณง่ายที่สุดเพราะยังไงยังไงมันก็ตรวจคล่องอยู่หลับตาตรวจก็ได้ลืมตาตรวจก็ได้แต่ถ้าหาก เราจะสวจเราก็เตรียมตัวหลายๆแบบว่าจากนี้ไปข้าพเจ้าจะตรวจบทนี้จนกว่าจะหมดเวลาก่อนจะสวจทำยังไงดีที่สุดเราต้องอาราธนาศียนให้เป็นคนมีศียมีเครื่องกํากับทางกาจทางหวัวใจาทางใจตัวเองมาเป็นเครื่อหลองรับ ว่าเราเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของพระจาสนาเราควรจะห้าราตนาถีนถ้าหากศีนห้านก็คล่องหัวออถ้าถินแปดนี่ก็เอาหนึ่งชั่วโมงจากเที่ยงไพหาบ่ายโมงก่อนที่เราจะจวดเราก็เตรียมจววว่าจากนี้ไปข้าพเจ้าจะร า, าธนาถีน หรืออาทิสามจินในจิตของตัวเองเ่าจินห้าจินแปดจินอะไรก็ได้หรือจินสิบก็ได้สามสามประเภทเนี้ถ้าเราชอบแบบไหนดีเนี่ยถ้าหากจินห้าก็เป็นมนุษย์สมบัติเท่าออที่คําสอนของพระพุทธเจ้า ว, วางวิธีให้เราทําความนี้ถ้าเราเพียนจินห้าประจําตัว เราก็เป็นมนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบตามตำราคําสอนของศาสนาแต่ถ้าหากเราอธิษฐานถินมากไปกว่านั้นเราก็จะยกฐานะสูงขึ้นกว่ามนุษย์สมบัติถ้าเป็นถี่นแปดก็เป็นอาภพมมัจริยาถ้าเป็นตาหามาพมก็เป็นมาตาหมหาพมในตัวเราก็ต้องฝึกเอง เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวางวิธีให้เราฝึกได้หลา ย, ลายวิธีแต่ถ้าหากจะทำขึ้นไปกว่านั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นเราก็อาาธนาตั้งใจงดเว้นสียนสิบข้อตามระเบียบของสามเณรหน่อยที่บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเขาต้องรัก สาเสียสิบข้อตอนนั้นหนึ่งโจเมงต่อไปนี้พุกคนต้องคิดตัวเองว่าข้าพเจ้าจะเป็นมนุษย์สมบัติการราชนาศสียนห้าในใจของตัวเองว่าบัดนี้ข้าพเจ้าขอเจ้าพระธรรมนาโคดมเจ้าของพระวาสนาในตำราถ้าพูดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นคำพูดของคนทั่วๆไปเทวดาฟังไม่ก็รู้ถ้าพูดให้เทวดารู้เราก็ต้องใช้คำพูดว่าขอเข้าเป้าพระเจาคณโคดมเจ้าของพระศาสนาถ้าพูดอย่างนี้เทวดาแถวนี้ก็จะรับรู้ว่าโอ้เนี่สาวกของพระโคดมเขากาลังจะเข้าเป้าพระเจ้าคณโครมในการแบบนี้ นี่วิธีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตามภาษาบ้านเราเราควรจะอธิษฐานศียเป็นเครื่องคุ้มครองรองรับรักษาตัวเองให้อยู่ในกติกาเจอก่อนแล้วจึงเข้าเฝ้าเมื่อเฝ้าเสร็จอธิษฐานเสียงเสร็จหรือจะเอาเต็มยศแท้ๆมาถึงเล้วรายงานตัวในใจก่อน ว่านั่งเจ็บเรียบร้อยครับจะปนมมือก็ได้ดีที่สุดก็ปนนมือขึ้นรายงานตัวว่าข้าพระเจ้าเที่ยนี้นามสกุลนี้บ้านเลขที่เท่านี้จะขอเฝ้าพระสมณโคดมในการบัดนี้เนี่ยตั้งเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้บุญเพิ่ม ถ้าเราคิดธรมดธรมดาดธรรมดาคิดแบบไี้ธรรมดาก็คิดมาว่าวันนี้เขามีเอาพระมาเทศเอาพระมาพูดไปฟังพระพูดเนี่ยอยู่ระดับต่ำๆไม่ได้ยกจิตไม่ได้ปลุกกิตสำานึกขึ้นมาให้มันสูงขึ้นฉะนั้นวิธีดีที่สุดความเม็นลงปู่กำแพงเงียกวรจะคิดในใจตัวเองว่าเราเตรียมตัวไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ย สูปเหมือนของพระพุทธเจ้าเนี่มีหลายหลายตั้งอยู่นนี้เรามาแล้วแล้วครับเราก็ผูกิจทําลื้อยเกินตัวเองคิดมาว่าแับ น, นี้ข้าพระเจ้าขอเฝ้าพร ะ, พระธรมะรมนักกนลมเจ้าของพระศาสนาเราก็พูดขึ้นมาในใจเมื่อไายงานตัวเจ็ดแล้วก็อธิษฐานศีลจะเอาสิ้นห้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือจะเอาศีลนแปดเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือจะเอาศี้นสิบ ถ้าพระพุทธเจ้าหนึ่งชั่วโมงเต็มเนี่ยเราก็ทำให้มันได้ถ้าฝึกไปนี่เขามีเดือนหนึ่งสองครั้งใช่ไหมเนี่ยเราก็จะได้ความดีเพิ่พมเดือนหนึ่งสองครั้งมาตรงนี้หนึ่งชั่วเมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้เต็มที่จะเป็นอะไรทีเนี่ยจะเป็นมนุษย์สมบัติเราก็ได้เป็นมนุษย์สมบัติเต็มที่ จะได้เท้าหมาพมเราก็เป็นท่าหมาพม์เต็มลอยถ้าเป็นสามาเแน่นน้อยก็เป็นสาม่แน่น้อยหนึ่งชั่วโมงเพราะภาษาตำราเขาเรียกว่าเจตนาเป็นตัวบ่งชี้หรือเป็นตัวบ่งชัดที่สุดว่าเจตนาเรามีแบบไหนเพราะมีตำรารับรองว่าเจตนาหังพิกเเว สีหลังวดามิเนี่ยภาษาคัมภี์ก็มีบอกว่าเกตนาเป็นตัวศีทีนี้เรามานั่งอยู่นี้เรามีเกตนาจงวดเก้นจากห้าอย่างจากกติกาแปดอย่างจากธรรมเนียม1ิบอย่างเนี่ยเราก็ฝึกได้เพราะหนึ่งชั่วโมงเราจะเป็นอะไรเราก็ต้องฝึกเองเพราะ พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาอยู่นานถึงสี่สบห้าปีพระพุทธเจ้าไม่ได้ยืนให้ใครที่พระพุทธเจ้าก็บอกวิธีให้เราทําถ้ า, าเราทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีความดีปรากฏขึ้นจากการกระทําของตัวเองแต่ถ้าหากเราไม่ได้ทําความดีมันก็เกิดขึ้นยากเพราะเราไม่ได้ลงมือทําเหมือนเราจะกินข้าว ถ้าเราคิดใจไม่ยอมกินมันก็มีปัญหากับชีวิตของตัวเองเหมือนกันต่นั้นความดีทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นเราก็ตกลงมือทำลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้ามาถึงแล้วต่างคนต่างทาเพราะสถานที่แห่งนี้เขาอนุญาตพิเศษพิเศษว่าให้มาทำความดีให้เกิดขึ้นกับตงเอง โดยวิธีได้วิธีหนึ่งแล้วแต่เราจะคัดเลือกเองดังนั้นวันนี้หลวงปู่กําแบกอย่นี้ให้เน่งต้องรายงานตัวต่อไปแล้วต่อไปเข้าวันนี้แล้วรายงานตัวว่าข้าพรเจ้าที่นี้นามสกุล น, นี้บ้านเลขที่เท่านี้ขอเข้าเฝ้าพระสมณโคดมเจ้าของพระศาสนา ในการบัดนี้นี้เป็นอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะงดเว้นจากการทำบาปกี่อย่างมาเป็นเครื่องคุ้มครองรองรับรักษาตัวเองถ้าอธิษฐานเป็นศีลห้าก็เรามาเป็นมนุษย์สมบัติเต็มที่ในหนึ่งชั่วโมงนี้ถ้าอาธิษฐานศีลแปด เราก็จะเป็นเท้าหมาพรมในตำราแต่ถ้าหากอธิฐานสี้นสิบเราก็จะกลายเป็นตามเนีนหน่อยไม่ต้องไปบวดอยู่วัดหนึ่งชั่วโมงมาอาธิษฐานอยู่ตรงนี้วิธีอธิษฐานศี้นสิบเนี่ยหลวงปู่คำแพงนี่เคยอยู่กับหลวงปู่เตื้อหลวงปู่เติ้ลนี่ท่านเคยไปอยู่พม่าหลายปี อยู่นานจนพูดภาษาพมา่าเป็นเทพอพลมทีเป็นในประเทศพมา่าเมื่ออยู่มาถึงวันสำคัญแล้วทีของพมา่าเนี่ยเข้ามาแล้วเขาจะรับศียสิบไม่ได้รับศียแปดรับศียสิบหลวงปู่เต้หรืออาจารย์เต้เนี่ยก็จะให้ศียสิบแก่ทีทั้งหมด ประมาณ2 7งร้อยเจ็ดสิบกว่าคนท่านพูดนี่ฟังจากปากท่านมาพอให้สินเสร็จท่านก็เททอบลมให้นั่งหลับตาฟังเทศไปพอฟังเทศไปหยุดเทศแล้วก็นั่งกำหนดจิตใครกำหนดจิตไม่พอจิตสงบแล้วมันเป็นภาพซ้อนขึ้นมาจากผู้หญิงหรือทีทั้งหมดนั่งอยู่ ท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมมันกลายเป็นเนนเป็นภาพเป็นเนนตอนจิตสงบเนี่ยจะกลายเป็นเนนนั่งเต็มอยู่ต่อหน้าท่านพอจิตสงบเห็นภาพเป็นเนนท่านก็นเลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันกลายเป็นเนนได้อย่างไงพอลืมตาขึ้นภาพนั่งเต็มเต็มอยู่อย่างนี้ก็เป็นจีแต่ถ้าหาก หลับตาเพรจิตสงบหน่อยพอภาพมันจะเกิดขึ้นให้เห็นหูมันก็เยียบเยียบเสียงไปพอหูเยียบเถียงภาพใหม่มันก็จะเกิดขึ้นอันนี้หลวงปู่ที่พูดพอเกิดเป็นภาพใหม่ก็เห็นเป็นเห็นนั่งเต็มอยู่ท่านสงสัยท่านก็ลืมตาดูถ้าใครเห็นเป็นทีเวลารีมตาก็ภาพซ้อนไมี ถ้าเป็นภาพปกติปกติแต่นั้นวิธีนี้ก็เลยเอามาจากคำสอนหรือคำพูดของหลวงปู่ที่ท่านเคยพูดไว้ตอนนั้นหลว ง, งปู่กาแพงเนี่ยไปเที่ยวภาคเหนือไปเชียงใหม่ไปอยู่กับหลวงปู่ที่แล้วก็ฟังเทศหลวงปู่ที่บ่อยบ่อยท่านก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยบ่อยให้คนฟัง ก็เลยไปจำวิธีของหลวงปู่ที่มาก็เลยมาสอนคนว่าถ้าอยากเป็นเนนก็อธิษฐานเป็นชั่วโมงก็ได้เนี่ยอย่างเนี้ย้าให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเราก็เป็นเนนหนึ่งชั่วโมงพอพอมาถึงพบแล้วก็รายงานตัวดีๆต่อพระประธานในนี้ข้าพเจ้าทีนี้นำํำทุกคนนี้ไปเลีที่เท่านี้ขอเพระพุทธเจ้าตรมเจ้าของพวาจาเถนะ ในการแบบนี้ในจิตก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้ า, าขอขาเพื่อนจากการสำบัดปานาาิน า, มม า, ากรเมเมโมตุลาพิการาพนัชกีมาลาอุจจาชาตลูพูดได้ถึงสิบข้อเมื่อพูดถึงถึงสิบข้อแล้วก็แต่ตะรู้ว่าอิมานะอิมานี้ดัติัข้าพดานิสมาธิญามิข้าพเจ้ า, าขอ ถ้ามาตามที่ขาบทจิบนี้เปินแค่องอยู่หนึ่งชั่วโมงต่อไปนี่เรากำหนดเวลาเราก็จะกลายเป็นเนย น, น้อยตามคำสอนหรือตามคำพูดของหลวงปู่เทื้อเพราะท่านเคยพูดบ่อยๆตอนไปอยู่กับท่านฉะนั้นทุกคนถ้าปรารถนาแบบไหนตั้งใจยังไงก็ฝึกได้ตั้งใจได้แต่ถ้าหาก เราอธิษฐานเสีเจเราจะสาธยายบทไหนที่นี่ถ้าหากเป็นนั่งหลับตาธรรมดาคนทำงานเนี่ยมันอไ ค, คิดไปถึงอดีตแค่ทำอย่างนี้คคิดอย่างนี้ไปอย่างนี้ถ้าหากเอาดีที่สุดเราก็สวดสาธยายปาสาพระหรือสวดบทใดบทหนึ่งให้เกิดขึ้นกับตัวเองเบาๆก็ได้ พอหูตัวเองได้ยินใจตัวเองได้เค็ดพอปากได้พูดหูก็ได้ยินใจก็ได้เค็ดส่วนบทไหนพุทธคนถ้าพุทธคนเนี้ยก็ตั้งขึ้นมาว่าจะสวดกี่จบก็ตั้งสัจจะขึ้นมาเพิ่มเราก็จะได้บุญเพิ่มอีกวิธีหนึ่งในสัจจบะบารมีเพราะบารมีทั้งหมดมันมีสัจจะบารมีในบารมีทิะ เราก็ตั้งขึ้นมาเพราะสัจจะบาลามีนี่เราไม่ค่อยได้ตั้งขึ้นมาว่าจะไปทำอะไรดะนั้นวิจีหนึ่งชั่วโมงของแต่ละครั้งที่มานี่ทุกคนก็ควรตั้งสัจจะบารมีว่าข้าพเจ้าจะสวดพุทธคุณกีจจบถ้าอยากสวดยาวก็ตั้งอายุของตัวเองขึ้นมาว่าอายุข้าพเจ้าตัวนี้สวดเทนได้ตามอายุของตัวเอง ว่าเป็นการส่งเสริมหรือเป็นการเสริมดวงของตัวเองในตัวเมื่อต้องไปตรวจให้กุวลเองเถิมเองก็ดงดงได้เองแล้วจะภูมิใจในวิธีตํเหมองตัวเองด้วยอันนั้นเป็นวิธีที่เราจะตรวจให้ยาวถ้าแต่จะตรวจใ้ท่านเราก็ตั้งทัาจ่าขึ้นมาว่าจะตรวจสามรอบพุทธคุณธรรมคุณฐานค้าคนณตรวจไป จบสามรอบเราก็ได้สัจจะบารมีตามบารมีที่พระพุทธเจ้าวางไว้สิบเกาสิบอย่างในบารมี1ิบก็มีสัจจะบารมีท่านั้นเมื่อใครอยากได้แบบไหนเราก็ต้องฝึกเกงทำเองเพราะพระพุทธเจ้าวางวิธีให้เราทำตามคำสอนของพุทธเจ้าเมื่อเราทำตามคำสอนของพพุทธเจ้าเราก็ กายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไปในตัวถ้าหากเราไม่ทำตามเราเป็นเจ้าพุธเราอยู่เฉยๆทานก็ยากเสียงก็ไม่รักษาทวจมลภาวนาก็ขี้เกียจอีกถึงเวลาก็อ้างน่นอ่างนี้ว่าดึกแล้วเหนื่งงอยวะไม่ต้องโสว น, นอนไปเลยอย่างนี้มันจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ค่อยสมบูรณ์แบบ แต่นะวิธีดีที่สุดเราก็ตั้งกติกามาบังคับตัวเองเอาตอนไหนง่ายที่สุดเอาก่อนนอนยังไงยังไงทุกคนก่อนนอนก่อนนอนข้าพเจ้าจะทำแบบนี้ให้ได้ก่อนที่ จ, จะนอนนถ้าบริสบริสสุดที่สุดก็ไปรักษาตอนก่อนนอนเนี่ยเสีนก็ไปรักษาตอนนั้นแหละง่ายที่สุด วันนี้กูจะเป็นมนุษย์สมบัติทั้งคืนนอนได้ทั้งคืนรักษาศีลห้าได้ตลอดคืนก็เป็นมนุษย์สมบัติสมบูรณ์แบบตามตำราที่พุทธเจ้าวางไว้แต่ถ้าหากไปอธิาสานศีลแปดเราก็นอนเป็นเท้ามหมาพรมทั้งคืนวันนี้ฝึกเป็นเท้ามหาพรมไม่ได้นอนฟี ฟ, ฟีเหมือนที่เคยผ่านมาฉะนั้นวิธีดีที่สุด เราก็ไปกูดกับเองแม่ใช่มมาฟังแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันจางไปในอากาศมันไม่มีประโยชน์กับตัวเองพระพุทธเจ้าสอนอยู่ที่ห้าปีสอนนี้เราทำไม่ได้สอนนี้เราฟังเนี่ยฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัติ ด, ด้วยต้องไปคิดด้วยต้องไปฝึกตัวเองให้มันเกิดขึ้นวิธีตรวจทีเนี้ย ถ้าเราตรวจน้ำรอบในตำรามันมีสามรอบมีห้ารอบมีเก็บรอบมีเก้ารอบเนี่ยวิธีถ้าเราตรวนเ้าจะตรวจร้อยแปดวิธีตร108วนร้อยแปดตรวนจะง่ายตรวนในตำรามตำราก็จะวางตามอากตราหรือตามยั ญ, ญชนะถ้าหากเอทีพีโซเอทีพิโซขึ้นร้อยแปดจบอันนี้เป็นความเหมนของ หลวงปู่หลวงปลาหลวงตาทั้งหลายครูบาอาจารย์รุ่นหลังถ้าหากในตำราเนี่ยพุทธคุณมันมีทั้งหมดห้าสิบหกตัวอิติปิโซจนพระธวาติมีห้าสิบหกตัวแต่นั้นถ้าเราจะตรวจเราก็ตรวจอิติปิโซห้าสิบหกจบเนี่ยตรวจตามตำราก็าจะเป็นคาถาห้าสิบหกคาถา ถ้าเปสวดธรรมคุณไปสวดกี่จบมีค า, ารากี่ตัวมีอยู่สามสิบแปดตัวก็สวดให้ได้สามสิบแปดจบจะเป็นคาถาแต่ถ้าหากเปสวดธรรมคุณสวดกี่จบธรรมคุณทังก้าคุณทางข้าคุณสวดกี่จบทง้งเอกคุณก็ไเปสวดสิบสี่จบพเขาเอาสิบสี่ตัว ปฏิปันโนพร ะ, ะวะโตสาวะกะสังโคเนี่ยสิบสี่ตัวถ้าเปิสดส่วนสังฆคุณสิบสี่จบท ร, รมาคุณสามสิบแปดจบสังฆพุทธคุณก็ห้าสิบหกจบก็เป็นคาถาร้อยแปดบวกกันแล้วเป็นร้อยแปดพอดีอันนี้ถ้าสวนในตำราเขาจะสวดอย่างนี้ ถ้าเราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณร้อยแปดจบเนี่ยล่ะได้หนึ่งชั่วโมงพอดีก็จบพอดีพุทธคุณก็ตรวจห้าสิบหกจบได้แล้วพุทธคุณตะเลิศเถรนคุณของพระศรีเจ้าได้เต็มที่ธรรมคุณเราก็ไปสวดสามสิบแปดจบเราก็จะได้ทะเลิศเถรนคุณของพระพุท ธ, ธเจ้าให้คําสอนของพระปัจจดาเต็มที่ ทีนี้สาธยายสังฆ ค, คุณเราก็ไปสวดได้ทิพย์จบเราก็ได้เป็นการสละเถริญคุณของปา ร, ริยสง์ทั้งหลายถ้าพูดตําลาทีนี้ถ้าหากเราพูดออกมาเป็นเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าบริกรรมคาถาบริกรรมบทสวดถ้ า, าพูดเป็นภาวนาก็เป็นการภาวนา บริกรรมภาวนาอันนี้เราจะมีสิตอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเพราะปากเราได้พูดหูเราได้ยินเสียงตัวเองพูดใจของเราก็ได้คิดว่าหลงไหมลืมไหมหรืออะไรย่างนี้ถ้าฝึกแบบนี้เราก็จะมีความรู้สึกกับตัวเองว่าวันนี้ใ น, นเช้านี้เถิน คุณของพระทีเจ้ามาแล้วเท่านี้เท่านี้เท่านี้คุณของพระธรรมต่ลัทธิมาแล้วเท่านี้เท่านี้คุณของบริยสงฆ์พระอริยเจ้าทั้งหลายมาแล้วเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าหากเราทำได้ตามนั้นแล้วทีนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะมีความภูมิใจเกิดขึ้นจากการกระทาของตัวเองจะเป็นการไหว้พระ ก็เกิดขึ้นทางกายถ้าพูดทางปากก็เกิดขึ้นทางปากภาษารํตำราเขาเรียกความดีเกิดขึ้นเมื่อความดีเกิดขึ้นเราก็สำบัด ร, รูดจะเรียงว่าวันนี้ได้สาธยายบทนี้บทนี้ความดีเกิดขึ้นแล้วเมื่อความดีเกิดขึ้นแล้วทำอะไรต่อไปเมื่อเราทำจบสามสัจจะเราก็ต้องอาราธนา ความดีที่เราทำแล้วมาเป็นอนุภาพคุ้มครองรองรับรักษาตัวเองด้วยไม่ใช่พอสวดแล้วก็สาธุก็เดินไปเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่ถ้าหากสวดจบทำจบแล้วเราก็ขอราจนาความดีบา ร, รมีต่างๆที่พระเจ้าทำมาทั้งหมดนี้ จงมาเป็นอนุภาพคุ้มครองลองรับรักษาให้ข้าพเจ้าเอารายละเอียดด้วยที่นี้นามเจุ้ลนี้บ้านเลขที่เท่านี้ให้อยู่เย็นเป็นจุกตลอดปีอยู่ดีตลอดไปเดินทางปลอดภัยทุกสถานที่ที่ข้าพเจ้าไปเนี่ยเราก็พูดได้เพราะเราทำแล้วแต่ถ้าหากเราไม่ทำเนี่ย ไปดึงมาจากไหนทีนี้ไม่มีเหตุมันก็ดึงมาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องลงทุนทําความดีให้เกิดขึ้นจากการกัดทําของตัวเองโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือตามคําสอนของพระศาสนาพระศาสดาวางให้เราทําตามฉะนั้นเมื่อเราทําตามแล้วความดีเกิดขึ้นเมื่อความดีเกิดขึ้น ความภูมิใจก็มาด้วยว่าวันนี้ได้ทําความดีอ น, นี้เกิดขึ้นแล้วเพราะในคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะพูดบ่อยๆหรือตัดบ่อยๆว่าให้คิดถึงความดีที่ตัวเองเคยทํามาให้คิดถึงศีลที่เคยรักษาให้คิดถึงสวดมนต์ภาวนาที่ตัวเองทํามาแล้ว อันนี้เราจะมีจิตผูกพันกับความดีที่เราทําขึ้นด้วยกายทางกายบ้างทางวาจ า, าทางใจบางเมื่อเกิดขึ้นเมื่อความดีเกิดขึ้นแล้วเราก็เอาความดีอันนี้แหละมาคุ้มครองมารองรับมาปกปักรักษาเราเราก็จะมีความภูมิใจมีความมั่นใจในตัวเองว่าได้อธิษฐานถิน ได้สวดมนตได้นั่งภาวนาบริกรรมบทใดบทหนึ่งถ้าหาเราบริกรรมเราก็ได้พูดปากเราก็ได้พูดหูเราก็ได้ยินใจเราก็ได้คิดอันนี้มันจะอยู่กับเราถ้ า, ากเราไปกําหนดรู้เฉยๆกําหนดไปกําหนดมาจิตมันก็วิ่งไปตามอารมณ์ของผู้ทุจนคนธรรมาดาใบถ้าหากเราบริกรรมเนี่ย ถึงบริกรรมไปปากได้พูดหัวได้ยินใจได้คิดมันได้คิดไปบ้างก็มันก็เป็นเรื่องของผู้ทุจรคนธรรมดาท่านั้นเราฝึกบริกรรมภาวนาเป็นวิธีที่ดีทุกจุดเราก็จะมาคลายอารมณ์ที่เราปล่อยเขาไปตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงเที่ยงมาถึงเที่ยงข้าพเจ้าจะสาธยายอารมณ์ให้มันออกให้มันเบาบาง ด้วยบุตรทุตตกุลธรรมะกุณสังฆคุณให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นวิธีที่มาฝึกในสถานที่แห่งนี้ทําความดีให้เกิดขึ้นหนึ่งชั่วโมงที่เขาให้เป็นพิเิตรพิจศตของเราเราก็มีโอกาสที่จะมาทําให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้จากนั้นเมื่อทําแล้วจะกลายเป็นนิสัยภาษาพระเขาเรียกว่าถ้าทําบ่อย มันจะเป็นกิตวัตของตัวเองเกิดขึ้นไปในตัวแต่ถ้าหากเรามาฝึกไม่ค่อยเต็มที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอเนี่ยมันคิดหาความดียากถ้าไหนวิตีดีที่สุดเราก็มาฝึกกั่ได้ตามกติกาที่ทางสถานที่แห่งนี้กาหนดขึ้นมาว่าเวลาเจ้านี้ให้มาทาความดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้ถ้าหากเราฝึกไปนานๆเนี่ยจิตมันคุ้นเคยกับความดีอันนี้ไม่ต้องมีใครชวนไม่ต้องมีใครถามไม่ต้องมีใครบอกก็คิดขึ้นมาเองถ้าพูดถึงภาษาของอภิธรรมถ้าความดีมันสั่งสมไปนานๆเข้าจวนาจิตมั น, นีจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องมีใครบอกถ้าหากจวนาจิตมันเกิดขึ้นเองแล้วอันนั้นแหละเป็นพระลัง ที่มากใหญ่กว้างขวางที่สุดเพราะเกิดขึ้นไม่ได้สัมปายตับเสียงอะไรให้มันได้ยินทางหมูมันเกิดขึ้นจากกิตของตัวเองเมื่อเกิดขึ้นจกกิจของตัวเองก็มาด้วยตนเองหรือชักชวนคนอื่นได้ก็ดีแต่ถ้าหากเรามาด้วยตนเองมาทำา้วจตนเองมันก็จะเกิดความดีขึ้นกับตัวเองแต่ขาดบริวาร อันนี้วันน้าอยู่นี่อยูอ่นี่เขามีบริวารเนี่ยพอพูดขึ้นพอบริวารก็มาอันนี้เป็นคนนําถ้าหากเราอยากมีบริวารเราก็ต้องช่วยบอกคนอื่นว่าวันนี้เขามีวิธีอย่างนี้อย่างนี้เราไปกันเถอะไปชวนได้สักคนสองคนก็เราได้บริวารแต่ถ้าหากเราคิดเองมาเองบริวารมันหายไปบริวารไม่ไม่เพิ่ม ฉ่นั้นวิธีคำสอนของพระเจ้าก็าเรียกว่าถ้าหากไปคนเดียวเราก็ไปคนเดียวแต่เกิดก็หาเพื่อนยากหาคนคุยยากท่นั้นทีที่สุดถ้ามาจำบุญเขาวางไว้ว่าต้องไปด้วยตนเองไปทำด้วยตนเองอันนี้บริวากรก็หายากแต่สมบัติก็จะเกิดขึ้นด้วยตนเองได้ไม่ต้องหาัยคนอื่น แต่ถ้าหากเรามาด้วยจนเย่งด้วยชวนคนอื่นมาด้วยเราก็จะได้ทั้งโพคตับสมบัติได้ทั้งบริวารสมบัติอันนี้เขาคุมได้ทุกอย่างได้ดีๆเพ่าหัวหน้าอยู่นี้เขาชวนบริวารมาคนมารวมก็กลายเป็นบริวารของหัวหนา้าท่นั้นก็จะได้ถึงสองอย่างครบตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหากมาแล้ว เราเดินน่นเดินนี่จนเสียวเวลาไม่ได้ทําบริวารก็ไม่เกิดสมบัติก็ไม่เกิดเพราะไม่ได้ลงมือทําตั้งใจมาเจ๋เจ๋อแต่ไม่ได้ลงมือทำแต่นั้นวิธีดีที่สุดเราก็ต้องลงมือทําด้วยชวนคนอื่นมาด้วยเราก็จะได้พร้อมทุกอย่างบริวารก็จะเกิดพร้อมสมบัติก็จะเกิดพร้อมในชาติต่อไปภาษาตํารางด้วยในชาติต่อไป พอกระตับสมบัติก็จะเกิดง่ายบริวานสมบัติก็เกิดง่ายเหมือนคนไปทําบุญกับพระพุทธเจา้าทำไมพระพุทธเจ้ายังทรงเหมือจนอยู่ว่ะเขาอจะไปลิยิกคนวะใครจะไปทําบุญวัดพระเจตะวันใครจะไปฟังเทศวัดพระเจตะ ว, ว, วันเนี่ยคนไปชวนเปีวนเนี่ยถ้าหากละจากมนุษย์ไปแล้วเนะ่ยเขาไปเกิด ที่ไหนก็แล้วแต่บริวารเขาก็เกิดขึ้นด้วยพอกระตับสมบัติก็เกิดขึ้นด้วยพอกระตับก็หาง่ายบริวารก็หาง่ายฉะนั้นวิธีทำเราก็ต้องฝึกให้หมันได้ขั้งคู่มาด้วยจนเองด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นด้วยจยคิดขึ้นมาแล้วมาด้วยจนเองเฉยๆไม่มีใครตามมา บริวารขาดหายไปไปคุยกับใครก็ยากยากหาบริวารยากเกิดใหม่บริวารก็เกิดยากไปเกิดที่ไหนที่ไหนบริวารก็เกิดยากแต่นั้นวิธีพระพุทธเจ้าสอนพระสอนเนี่ยทำทั้งสองอย่างไปเรียกคนด้วยชักชวนคนด้วยตัวเองก็ทําด้วยแต่ถ้าชวนคนมาแล้วคนื่นมาแล้วตัวเองไม่ทําก็มีปัญหาเหมือนกันเนี่ย ทมบัติก็ไม่เกิดในชาติต่อไปทมบัติก็เกิดยากเพราะเราไปเรียกคนอื่นมาทําคนอื่นเขาก็ทําตามเขาชวนมาพอทำเสร็จทอมบัติจะไปเกิดกับใครก็ไปเกิดกับคนที่ทําเราก็ชวนเขามาต่างเราไปเกิดในชาติต่อไปทมบัติก็เกิดยากบริวารจะเกิดง่ายเพราะเราไปเชิญชวนไว้อันนี้เป็นคารับรองของตำล่าว่า ถ้ า, าเราทำอย่างนี้เราก็จะได้แบบนี้ถ้ า, าเราทำด้วยตนเองด้วยทักจนคนอื่นด้วยเราก็จะได้ทั้งคู่ไปเกิดที่ไหนก็อุดมสมบูรณ์ได้ฉะนั้นวิธีทำความดีพระพุทธเจ้า ว, วางไว้เราจะยึดอะไรก็แล้วแต่แต่เ้ดียที่ถดต้องไปเอาตอนนอนก่อนนอนให้มันได้ จะไปอ้างโน่นจะไปอ้างนี่จะไปอ้างว่ามาเดึกเหนื่อยแล้วจะไปคิดมุมอย่งนั้นตั้งจัดจากขึ้นมาว่าจากนี้ไปข้าพระเจ้าจะอธิษฐานศี่ให้ได้ก่อนที่จะนอนหลับจะเอาศิ่นอะไรถิ่นห้าเพื่นฐานของมือนุสมบัติถี่นแปดนอนเหมือนตาหมาพรมจนสว่าง ถ้าเสียนเสพก็เป็นเนีนน้อยตามคำอธิบายของหลวงปู่ตื้หรือของอาจารย์เตี้ยอันนี้เราก็ฝึกแต่ถ้าหากเราฝึกที่เนี้ยเราทำยังไงดีที่ถุดถ้าเราเฝ้าพระพุทเจ้าเนี้ยถ้าแต่งตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นี่เพราะทำไมพระพุทธเจ้ายังจนเหมจนอยู่ นางวิสาขาเนี่ยเป็นคนที่เขารับรองกันทั้งวงของเจ้าพุทธเนี่ยว่าเขาแต่งตัวเรียบร้อยแม้แต่จะมนพระพุทธเจ้ามารับปิณรบาทที่ปราจาดของนางวิสาขาเนี่ยนางวิสาขาเขาจะโทษทีอ่อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแต่งตัวให้สวยเจ้าก่อนเนี่ยนางวิสาขาจึงจะนิมนต์เขานิมนต์แบบไหนในสมัยนะั้น เขาที่มนไปทางอาคาดไม่ได้มนเดินไปหาพระทเจ้าได้วัดเจ ต, ตวันเอาดอากไม้แปดกมขึ้นมาบนปราสาทชั้นที่เจ็ดแล้วก็ข้าพระเจ้านางวิสาขาขอราชนาะธรรมนโคโดมพร้อมทั้งพระสาวกห้าร้อยองค์รับปิณบาตปราสาทนางวิสาขาในวันพรุ่งนี้แล้วพระทำยังไง เขาก็ปล่อยดอกไม้เป็นในอากาศดอกไม้มันก็ลอยไปลอยไปหาพระพุทธเจ้าเนียว่าประเทตวันคนละเมืองพอไปถึงดอกไม้เขาไปเป็นเพดานอยู่บนที่นั่งของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รู้ด้วยยานของพระพุทธเจ้าว่าโอ้วันนี้นางวิสาขาฮาราธนาให้ไปในวันพรุ่งนี้ ไดรับบิณฑบาตปราชา์นางมิสาขาห้าร้อยองค์พอคึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ประชุมสงฆ์บอกว่าสงฆ์ทั้งหมดที่เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระสารตามเราไปพรุ่งนี้ไปปาชา์นางมิสาขาเนี่ยแค่เขานีมนเนี่ยเขายังแต่งตัวสวยๆก่อนเนี่ยแต่ถ้าหากแต่งตัวไม่สวยมีปัญหาเด็ดขาดเพราะเทวดาเขารู้ว่า คนนี้เขากาลังแะเฉลิมคุณของพระพุทธเจา้าของพระโคดมอยู่เพราะเราสวัสดีที่าาพิซอภกวาอารังสัมมาจมุติขึ้นเนี่ยเทวดาเขาจะรู้ว่าเอ้ยนี่เสียงสาวกพระโคดมเขากําลังจะเฉลิคุณของพระรดมอยู่เขารู้แล้วเขาจะมองมาตัวเราเอ้แต่งตัวเรียบร้อยไหมถ้าแต่งตัวมีเรียบร้อยเนี่ยเทวดาก็จะติเราว่า ชุดนี้หรือมึงเฝ้าว่าอุทธเจ้าถ้าแต่งตัวไม่มันมีปัญหาอันนี้พูดพูดมานี้ไม่ไม่ได้พูดจากคนอื่นเราผูกกับแปลงนี้เจอมาเองเจอมาเป็นนอนบางที่เนี่ยเทวดาอยู่ตามป่าหร้ออยู่แต่สถานที่ทั่วไปถ้าพูดถึงตำรางอยู่ยังไงอยู่ไงก็มีเทวดาแต่ถ้าอยู่ตามสถานที่เขาหรือว่า พูมมะเทวดาถ้าในอากาศก็พระอากาศเทวดานี่ถ้าเขามานี่ถ้ากราบไปค่อยดีเท่าไหร่นี้ก็มีปัญหากับเทวดา <c oughs> กราบยังไงดีที่ถุดที่แต่งตัวไปขาวหนึ่งเป็นนั่งสววจหมดอยู่นั่งไปนั่งไปพอตรวจไปตรวดไ ป, ดไปมันปวดขาปวดขาปากก็ตวจไปขาโทษทีก็ขากระเยียดออก พายาหรอกยังไม้เต็มที่มันมีเสียงมาในอากาศเสียงดังเนี่ยเสียงดังฟังชัดว่านั่งไม่เรียบร้อยไม่ควรสมบัติมนเ <c oughs> นี่ยขามันกลัวมันเข้ามาเลย <c oughs> อันนี้เจอมาเองทำบัตรมาเองฉะนั้นก็เลยกล้าพูดว่าถ้านั่งไม่เรียบร้อยเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าสมบัติมนเนี่ยตัวนมนนะั่งนะ ต, ตัวไม่เรียบร้อยเนี่ย โดนมาอีกหนึ่งครั้งก็อยู่ในฐานที่บางที่นั่งไปผ้ามันก็ตกลงมาปากก็ตรวดไปก็ตรวดปาสวดตั้งะะหลายญาตินึงกขาว่าห่มไม่เรียบร้อยไม่ควรจะสวจมนต์ไม่กลัวรเสียงมือก็รีบทําไม่เรียบร้อยจึงตรวจมนต์ต่ออันนี้เป็นวิธีที่สมบัติมาเองจากนั้นทุกคนถ้าตรวจมนต์เนี่ยควรจะ แต่งตัวให้ดี ด, แะะดแีแต่งตัวให้เรียบร้อยเพราะอะไรเพราะประเทศเินเดียเนี่ยเขาจะแต่งไงแต่งตัวเรียบร้อยเนี่ยเขาจะแจกจุดไหนืจุดขาวเป็นพื้นฐานของประเทศเินเดียเฝ้าพระพุทธเจ้านี่ยถ้าเขาไปเฝ้าครั้งแรกเขากลาบไหมเขาก็ไม่กลาบพระพุทธเจ้าไปประกาศศาสนาเนี่ยกรุงราชสักข้นครั้งแรกไปปรดพระเจ้าพิมพิสารเนี่ย คนมาเยอะๆอย่างเนี้ยหมื่นหมื่นสองหมื่นสองพันคนเนี่ยมานั่งตอนนั้นเขายังกราบไม่เป็นเลยเขาจะประนมมือรายงานตัวข้าพเจ้าเป็นาพาหม์ตระกูลนี้ตระกูลนี้เขาก็นั่งข้าพเจ้าเป็นแพทย์ตระกูลนี้ตระกูล น, กกลนี้เขาก็นั่งเนี่ยเขายังไม่กราบเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศคําสอนเทศสอนจนคนฟังเข้าใจเต็ม เข้าใจแล้วเข้าใจในลักษณะไหนทำไมนั้นเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีความรู้พิเศษเกิดขึ้นมาในจิตของตัวเองว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ผลนุดก้ายก็ดับไปอันนี้เป็นความรู้พิเศษเกิดขึ้นในจิตสำไมพระพุทธเจ้าเทศคนที่เข้าใจแบบนั้นทีนี่เขาก็จะนั่งกระยงขึ้นมาปนมือท่าพรมตารา เราก็จะกราบด้วยเบญจังครับอดีตถูกต้องไม่มีใครสอนไม่เหมือนไทยไม่เหมือนเราด้ยเราเนี่ยถ้ากราบต้องต้องสอนจึงจะกราบถูกถ้าไม่สอนก็กราบไม่ถูกเพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดขึ้นจา ก, กจิตตัวเองแท้ๆเป็นปันมันเป็นชาวพุทธถืบสายเลือดมาอะยกราบไม่ค่อยถูกถ้ากราบถูกกราบอย่างไงกราบถูก ถ้าผู้ชากั น, นั่นคุกเขา่าก็ยงประนมมือเข้าภาษาของประเทศไทยเขาเรียกว่ากาบพร้อมด้วยองค์ห้าก้อนห้ามีอะไรบ้างมีหัวเข่าสองอยู่กับพื้นมีมือสองอยู่กับพื้นมีหน้าผากหนึ่งอยู่กับพื้นห้าอย่างเนี้ยต้องลงถุงพื้นเนี้ยเขาจึงจะเรียกเบนจางกระปิษฐ์หรือ กาบพร้อมด้วยองค์ห้าถ้ากาบอย่างไม่ถึงแบบนี้เขาก็ถือว่ากาบไม่สมบูรณ์แบบถ้ากาบสมบูรณ์แบบต้องกาบหัวเขา่าคุกเข่าถึงเพื้นมือสองมือก็ต้องถึงพื้นหน้าผากก็ต้องถึงพื้นเนี่ยตอนนั้นไปอินโดนีเซียขโมนไปแต่นั่งวันแรกเนี่ยคนมาเยอะๆแบบนี้แหละ มาอินโดนีเซียเนี่ยเขากราบเป็นเป็นทุกคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายกราบแบบเดียวกันหมดเด็กๆมากับพ่อกับแม่ค่กราบเบียนจางครับระดิ์ได้หมดไม่เหมือนทษที่ไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยนี่กราบตามความรู้สึกจะนั่งท่าไหนก็กูกราบได้ <laughs> นั่งเพรียบกูกระกลับนั่งจัดได้่ดีไม่ดีกค่เอามือลงไปทีเดียวก็ได้สามครั้งเนี่ยนี่วิธีแต่พอไปไปถึงอินโดนะพอเห็นอินโดกราบนี่ก็เลยคิดถึงประเทศไทยว่าประเทศไทยเนี่ยลงปูทั้งหลายนในอดีตดังดังดีดีสอน มาตรฐานที่ถุนเขายกกล้องตัวโลกอย่างหลงปู่ ม, มั่นอย่างเนี้ยถ้าโลกเขายกกล้องว่าเป็นพระที่พิเศษพิเศษของประเทศไทยแต่นั้นมีทีดีที่ถุดเนี่ยคนไทยก็ควรจะกราบใ ห, ให้สมบูรณ์สมบูรณ์แบบที่ถุดเนี่ยกราบยังไงถ้าผู้หญิ ง, งนั่งนับทับซ่อนเมื่อตอนนั่งโคกเขานั่งทับซ้อนกราบแล้วก็เอาตัง หัวมืมอก็ลงถึงเพลนหน้าปากลงถึงเพลนแขนก็คว่มหัวเข่าตัวเองอันนี้เป็นวิธีกราบให้มันถูกถ้าแนววิธีเนี้ยเขาให้โอกาสมาฝึกเดือนหนึ่งสองครั้งควรจะมาฝึกให้มัน ถ, ถูกถูกอยู่นี่นี่เวลากราบก็นั่งทับท่อนกราบจะเป็นนั่งพับเพียบกราบถ้าไปเห็นคนยินโดรกราบเนี่ย มันจะมีปัญหาแต่ถ้าไทยเนี่ยส่วนมากก็จะกราบตามความรู้สึกไม่ค่อยตากไม่ว่ า, รา ก, กราบตามตำราเท่าไหร่ถ้าหากคุยกราบตามตำราเนี่ยก็แค่ดีจะไม่มีปัญหากับตัวเองเทวดาก็จะอนุโมทนาด้วยว่าโาอ้สาวกพระโคโดมถ้าทำได้ทุกอย่างทว่ก็ถูกถ้าถั่วเนี่ก็สดเสียงดังด้วยเด้เทวดาเขาจริงใจนิยม พวดเสียงดังเนี่ยามาจากไหนเอามาจากหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นเขาไปอยู่ในบ้านมูเซอร์เนี่ยท่านจะสวดมนต์สวดมนต์เสียงดังพอาะสวดมนต์เสียงดังเหมือนกดังดังไปไกลพราดังไปไกลเทวดาวแต่าไรท่านเนี่ยเขาก็จะบอกกันไปอันนี้ท่านพูดในตําราท่านดังไปไกลเทวดาก็มันมีปัญหา ทำให้เทวดามีความสุขดในเวลาเราทรวจอันนี้ออกมาจากหลวงปู่มั่นพอตรวจไปเฉียงเฮติปิซอปะกวาอารังทํา ม, มาทัมมุตดตังไปถึงไหนเนี่ยเทวดาก็จะมีความสุขพอเทวดามีความสุขเขาก็จะพูดต่อไปว่ า, าแต่ก่อนเทพภาษาอาจารย์มัน่น ท, ท่านใช้คำวา่าเทพไม่ใช่เทวดา แต่ถ้าคนทั่วไปก็แท้คำว่าเทวดามันยังเข้าใจง่ายว่าไม่ใช่มนุษย์พอเทพมีความสุขเขาก็คุยกันคุยกันว่าเอแต่ก่อนเวลาอย่างนี้เราไม่มีความสุขเกิดขึ้นในจิตแต่ตอนนี้ทําไมมีความสุขเกิดขึ้นเวลานี้พอเทวดาก็ประชุมกันก็เลยตามหาอารามาเดาเอา มันคงเป็นคลื่อ น, นึ้นขึ้นเป็นไปในอากาศไปประทาเทวดาพอเทวดาประชุมกันเสร็จเขาก็เคลื่อนที่มามาเยอะตามหลวงปู่มั่นพูดเต็มในอากาศมาถึงแล้วเขาก็จะนั่งเป็นระเบียบอยู่ในอากาศเขาไม่ได้เข้ามาหมดเนี่ยเข้าให้หัวหน้าเขามามาแล้วก็อาจารย์มั่นก็นั่งภาวนาเทวดาก็ มาทำปฏิทินสามรอบก่อนเขาไม่ได้ถามเลยเด็กเขามาเขาทำปฏิทักินก่อนแล้วจึงถามว่าเอาภาษาง่ายๆว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ทําอะไรทุกวันนี้เทบทั้งหมดจึงมีความสุขเนี่ยเป็นคําถามของเจวดาถามอาจารย์มัน่นอาจารย์มั่นเขาถือว่าสาธยายพุทธคุณ ธรรมคุณสังฆคุณพอเทวดาฟังอาจารย์มั่นตอบเนี่ยเทวดาตอบว่าอย่างไรทีนี้ถ้างั้นเทพัสมหมดหรือเทวดาสมหมดขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนี่ก็รับบุญจากอาจารย์มั่นอีกต่อหนึ่งฉะนนั้นเราถึงเราไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้ า, าเราสวดถ้าสวดเสียงดัง มันก็นจะไปได้ยาวท่านยังพูดว่าถ้าสวดเสียงธรรมดาเทวดาหลายโยอดก็จะฟังรู้เรื่องถ้าสวดเต็มเสียงเทวดาก็ฟังไปอีกหลายร้อโยตอันนี้เป็นคำพูดของหลวงปู่มัน่นพูดไปจำมาไม่ได้หลวงปู่เขาเปลพูดแต่ถ้าหากเราสวดที่นี่เราไม่ได้สวดฟรีๆเรามีเทวดาดู ชนะวิธีตรวจเราก็ตั้งใจสวจแต่งตัวให้ดีๆแต่งตัวให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็สวดตวดจนกว่าจะจบแล้วก็กราบพระให้ถูกๆจะให้เทวดาตบหนีช <c oughs> นะวิธีดีที่สวรวเราทั้งหลายควรไปฝึกให้มันเป็นนิสัยของตัวเองว่า พยายามกราบให้ได้เป็นจางขปเดชพยายามสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ได้อธิษฐานเสียนก่อนนอนเนี่ไ ด, อนนอนใได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเราผ่านไปเราแก้ไม่ได้ถ้ามันผ่านไปแล้วเราก็แก้ไม่ได้ฉะนั้นเราตั้งทัตจะมาคุมตัวเองว่าก่อนนอนข้าพเจ้าจะฝึกอย่างนี้อย่างนี้จากนี้ไปจนกว่าชีวิตจะ หลุดจากมนุษย์โลกนี้ไปท่นั้นในที่สุดนี้หนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วขออนุภาพความดีบารมีทั้งหลายที่จเจ้าเราทั้งหลายที่เป็นชจาพุทธทายกทายกาพอจะทำความดีทางกายทางวาิจารทางใจขอให้มาคุ้มครองรองรับปกปักรักษาตลอดถึงอนุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าตลอดถึงความดีบารมี ที่ร้องผูกกำแลงบำเพ็ญมาจงคุ้มครองปกปักรักษาให้ลูกให้หลานจุเย็นเป็นทุกตลอดปีอยู่ดีตลอดไปชั่วอายุขทุกทุกท่านทุ ก, ท, ก, ท, ก, ท, กทุกคนด้วยเถินอาธุ